สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชุดเพรซู ต, รตอนที่สามร้อยเจ็ดสบหกเรื่องการมีครอบครัวเพราะเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่ 1, นหนึ่งจนถึงข้อที่สิบห้าเพราะเนื่องจากว่าเช้า ว, วันนี้นั้นเป็นพระกัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวนะครับผมก็จะแบ่งเป็นตอนๆเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องอ่ายาวจนเกินไปนะครับ โปรดฟังพระจนะของพระเจ้าปัตธิบทที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบห้าเมื่อพระเยซูตรัสค่อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ำจอแดนข้างตะวันออกฝูงชนเป็นนั้นมากได้ตามพระองค์ไปแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายอญ่าปัญญาของตนเพราะเหตุใ ด, ใดๆก็าตาม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 ทำให้พราหจากกันเลยเขายังย้อนถามพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นทําไมโมเสสได้สั่งให้ทําหนังสือหยาให้ภรรยาแล้วก็อย่าได้พระองค์ตรัสแกเขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายหยาพัญญาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นเช่นนั้นไฝ่ายเราบอกท่าั้งหลายว่าผู้ใดห ย, ยาพัญญาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไป ม, มีพัญญาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้ใดรับหญิงที่ยาแล้วนั้นมาเป็นพัญญาก็ผิดประเวณีด้วยพวกสาวกทูลโรงว่าถ้าลักษณะสามีพัญญาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีพัญญาเลยก็ดีกว่าพระองค์ตอบเขาว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้นั้นด้วยว่าผู้ที่เป็นขันทีตั้งแต่กําเนิดก็มีอยู่ผู้ที่มนุษย์กระทําให้เป็นขันทีก็มีผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มี ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากให้พวกเราได้เรียนรู้คําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเรื่องของการมีครอบครัวพระเยซูทรงถือว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสําคัญมากเราจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการมีครอบครัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าสูง พระเจ้านั้นได้ทรงสร้างผู้ชายผู้หญิงให้เท่าเทียมกันในหลายๆด้านแต่พระองค์ประทานบทบาทที่ต่างกันบทบาทนั้นก็มีครอบคลุมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ชายผู้หญิงที่แตกต่างกันด้วยผู้ชายนั้นจะต้องเป็นผู้นำผู้ชายนั้นจะต้องเป็นคุณพ่อของลูกผู้หญิงนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตของผู้ชายและเป็นคุณแม่ หือเป็นมารดาของบุตรพระเจ้าทรงกําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าการแต่งงานจะทําให้บุคคลสองคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแยกจากกันไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าไม่มีผู้ใดจะแบ่งแยกซึ่งพระเจ้าได้ผูกพันไว้แล้วได้พวกธรมาชิกชาวยิวนั้นได้ปรับปรงุงกฎของโมเสสก็คือเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงขนาดที่หลงไปครับก็คือว่าเ้าอนุญาต ไห้ชายหย่าร้างพัญญาของตนได้ด้วยการตีความบทบัญญัติของโมเสสตามใจชอบรับบีฮินเลวนะครับฮินเลวก็คือเป็นสัมนักหนึ่งนะครับที่มีปรามาจารย์หรือมีเจ้าเจ้าสัมนักเรียกว่าฮินเลวนะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าชายาะย่าพัญญาของตนได้หากเธอปล่อยผมในที่สาธารณะหรือพูดคุยกับใครอื่นหรือทําขนมปังไหม หรือใส่เกลือในอาหารมากเกินไปและนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วสําหรับการอย่าร่างในสมัยเมื่อพระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดใช่ไหมครับมีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปละพี่น้้องกับแทจริงแล้วฮิเลลนั้นพยายามที่จะปรามนะครับป้องปรามครับป้องปรามหรือกําลังขีดเส้นบอกว่าถ้าหากว่าใครที่เป็นพยานะครับ จะต้องระมัดระวังดูแลสามีของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยผมในที่สาธารณะนะครับเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้หญิงคนไหนที่ปล่อยผมในที่สาธารณะในวัฒนธรรมของคนยิวในสมัยนั้นก็คือเป็นพวกผู้หญิงที่ไม่ดีนะครับผู้หญิงที่ดีก็จะไม่พูดคุยกับชายอื่นที่ไม่รู้จักนะครับนี่เป็นการรักนวลสงวนตัวซึ่งมีความสำคัญในวัฒนธรรมสมัย โบราณในขณะเดียวกันครับผู้หญิงก็จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลจัดการอาหารการกินครับขนมปังนะครับมันอยู่ดีๆไม่ไหม้หรอกครับแต่ถ้าว่าไม่ได้ตั้งใจทําแน่นอนครับไม่หรือไม่กระทั่งการใส่เกลือในอาหารครับก็ต้องทําด้วยความระมัดระวงังทําด้วยความตั้งใจเหมือนกับทําให้ตัวเองกินนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ฮินเรลลได้ พยายามที่จะป้องปรามผู้หญิงให้ใส่ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อแต่งงานไปเป็นภรรยานะครับแน่นอนครับเขาก็รู้นะครับภารกิจของตนเองรู้ความรับผิดชอบของตัวเองรู้บทบาทของตัวเองแต่ในขั้นเดียกันครับหลักการหรือคําสอนในช่วงนี้หรือตอนนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ชายบางคนที่ไม่ดีนะครับหาเหตุ นะครับกล่าวหาว่าภรรยารของตนนั้นปล่อยผมบ้างพูดคุยกับชายอื่นบ้างทำขมม น, นมปังใบ้บ้างหรือใส่เกลือในอาหารมากเกินไปบ้างหรือทำอะไรที่ไม่ถูกใจนะครับก็อ้างเป็นเหตุที่จะทาให้หย่าร้างย่างถูกกฎหมายและพวกเหล่านี้ครับจึงกลายเป็นเรื่องของคนหน้าซื่อใจคดจึงตกเป็นเครื่องมือของบรรดาคนที่ไม่รัก ในภรรยาของตัวเองพี่น้องครับพระเยซูสรุปกฎของพระเจ้าว่าด้วยการแต่งงานโดยย่อนะครับว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยานะครับก็คือสองคนเท่านั้นนะครับมีคู่สมรสนะครับมีเราเพียงสองคนเท่านั้นจะต้องมีมีการสัมสัน์ทางเพศจะต้องไม่มีการหย่าร่างกันนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัว พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับไม่เพียงสอนให้เห็นความสําคัญของชีวิตสมรสอย่างชัดเจนแต่ก็ยังได้ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของเด็กในข้อต่อตอบกันไปด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อพระเจ้าผูกพันกันแล้วนะครับเมื่อพระเจ้าผูกพันกันแล้วอย่าให้ผู้ใดทําให้ทั้งสองแยกจากกันเลยหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับขณะที่ผมประกอบพิธีแต่งงานนะครับ คำปฏิญาณเมื่อสวมแหวนก็คือจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันจนกว่าความตายจะแยกเราทั้งสองออกจากกันท่นหมายความว่าพระเจ้าของพระเจ้าย้ำเตือนครับว่าราบใดก็ตามที่ตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่ต้องฟังดีนะครับจาบใดที่ตัวเองนะครับแต่งงานแล้วทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่การผูกพันทางด้าน จิตใจจิตดิน ญ, ญาณร่างกายอันเนื่องจากการแต่งงานนั้นมีโดยตลอดครับจนกว่าความตายเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าภรรยาตายก่อนหรือสามีตายก่อนภาวะการผูกพันนั้นก็ถือว่าจบสิ้นลงนี่คือพอจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพิ่มพีในข้อที่เก้านะครับพระเยซู บ, บอกว่าไฟเราบอกทั้งหลายว่าผู้ใดอย่าพัญญาของตน เพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไป ม, มีพญายาใหม่ก็ผิดประเวณีนะครับพระเยซูก็กลับมาถึงเบสิกความคําสอนหรือความเชื่อที่ถูกต้องก็คืออย่าไปอ้างนะครับพระเยซูกําลังบอกผู้ชายว่าอย่าไปอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อที่หาเหตุหย่าครับพระเยซูอนุญาตให้เกิดการเรียกว่าถูกต้องนะครับก็คือหากคุณจะ แต่งงานใหม่รอให้ภรรยาของคุณตายเสียก่อนหรืออย่าแช่งให้ภรรยาตายครับนะครับการแช่งให้ภรรยาตายหรือการตั้งความหวังให้ภรรยาตายเพื่อเลื่อนแต่งแต่งงานใหม่นั้นก็ไม่ใช่เป็นท่าทีที่ถูกต้องแต่หากแม้นว่าภรรยาหรือสามีของตนตายไปนะครับพระเยซูอนุ ญ, ญาตให้แต่งงานใหม่ได้พี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้า ว, วันนี้นะครับ ทำให้เราที่จะต้องถ่อมใจหลงเชื่อฟังสาเหตุที่เรามีปัญหาทุกวันนี้ในครอบครัวในสังคมสาเหตุที่เรามีเด็กที่มีพ่อแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือพ่อแม่เดี่ยวนะครับก็เนื่องจากสาเหตุนี้แหละครับคือเรายอมรับการอย่าในขณะที่พระเยซูไม่ยอมรับสังคมของเรากําลังทําผิดพลาดอย่างมากในขณะเดียวกันครับขึ้จากบางขึ้นจาก ก็ทำผิดภลาคเหมือนกันครับคือการที่เราทั้งหลายยอมรับนะครับเรื่องการอย่าร้างว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยจริงๆแล้วไม่ปกติวิสัยครับเราจะต้องสนับสนุนอย่าให้มีการแยกทางกันเราจะต้องสนับสนุนอย่าให้มีการหย่ากันนะครับคริสตจักรจะต้องช่วยดูแลพี่น้องเหล่านี้ช่วยดูแลทุกๆครอบครัวครับสำหรับพี่น้องที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับ พระเจ้าให้อภัยเสมอพี่น้องอย่ารู้สึกผิดและความรู้สึกผิดนี้มันจะติดตัวกัดกินเราไปตลอดชีวิตอย่าปล่อยเป็นเช่นนี้ครับพระเจ้าสามารถให้อภัยได้ในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วแต่ขอให้เรากลับใจเสียใหม่ครับนะครับขอพระเจ้าอวยพ ร, พรและทรงช่วยและครั้งทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแล้วก็ทำยากแต่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับที่จะกลับเนื้อกลับตัวใครก็ตามที่ยังไม่ได้เจอ นะครับหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าให้มีปัญหาครับอาเมน